พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ให้มุ่งต่อความสงบอย่าได้คิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรในเวลานี้ให้เตือนตนเข้าไปว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไร เป็นเวลาพักพ่อนหยุดทำการงานภายนอกและนี้เรามาทำงานทางใจมุ่งทำใจสงบโดยเฉพาะในคันแรกคันที่สองก็มุ่งให้จิตนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยก็ให้ตั้งใจตรงอย่างนั้นใจมันก็ถึงจะสงบได้ถ้าหากว่าไม่มีจุดหมายอย่างว่านั้นมันมันก็คิดเลื่อนลอยไปทัว่วละจิตนี่นะบางทีมันก็นั่งม่วงอยู่เฉย บางคนน่ะไม่ชอบคิดอะไรก็มีชอบแต่จะนอนบางคนจะคิดมากอันนี้มันไม่เหมือนกันนะจิตใจคนเราเนี่ยผู้ใดไม่อยากคิดอะไรมีแต่ง่วงอันนั้นก็ต้องใช้ความคิด คิดแต่ต้องคิดไปในทางทมคิดไปในทางบุญกุศลคิดคิดไปในทางสังเวชเช่นคิดถึงชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดตายแล้วพัดผาาจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวไปมัน นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ตื่นตัวเกิดสังเวชขึ้นหาวหมุหายผู้ที่คิดมากก็ต้องตั้งสติอย่างว่านี่แหละนึกคิดมุ่งหน้าสู่ความสงบเมื่อจุดหมายปลายทางมีอย่างนั้น มันก็จะได้ไม่คิดมากมันจะหยุดคิดลงไปเพราะถ้าขืนคิดอยู่มันก็จะไม่สงบดังนั้นมันตัวเองเนี่ยสอนตัวเองเตือนตัวเองให้หยุดคิดไปในอดีตอนาคตใน้กำหนดมุง่งรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไร ก็ให้กำหนดรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้บางคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นก็มีก็ต้องรู้เท่าทุกขเวทนานั้นบางคนปัจจุบันนี้โรคภัยไม่เบียดเบียนร่างกายปกติ หายใจเข้าหายใจออกก็คล่องแคล่วดีถ้าเป็นแบบนี้มันชักจะเพลินแบบ น, นี้นยะชอบคิดทรงสายไปโดยความเพลินถือว่าตนสบายไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนทางที่ให้ใจเพลิดเพลินพุ่งสันนะ่มันมีอย่างนี้แหละ แะนันจะให้มันสำคัญอย่างนั้นถึงแม้ว่าโรคภัยจะไม่เบียดเบียนในปัจจุบันนี้ต่อไปมันก็จะเบียดเบียนเหมือนกันเพราะร่างกายนี้มันเป็นรังของโรคมาแต่เมื่อเกิดนูน่นโรคภัยไข้เจ็บมันชอบเกิดจากของโสโรคสโกรกโสกปก เช่นอย่างว่าในน้ำคลําน้ำาสกกระปกนะุกเนี่ยมันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆไปเกิดอาศัยอยู่เยอะแยะเช่นหยปลาร้าอย่างนี้นะมันก็มีหนอนได้ไปเกิดนะพวกทําปลาร้ากันไม่ปิดปากหอยอะ่ะเปิดใกล้เนี่ยแมลงวันก็ไปไข่ใส่มันก็เกิดหนอนขึ้น อันนี้ชั้นให่ก็อย่างนั้นร่างกายของคนเรานี่มันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่ออาหารนี่มันก็ไม่สะอาดเลยสกกภพแล้วประทานเข้าไปในท้องในกระเพาะมันก็ต้องไปสกปภกอยู่ในกระเพาะนูน่นที่มันไม่บูดไม่เน่า ทันทีนั่นก็เพราะเหตุว่าไฟธาตุมันทําหน้าที่ย่อยไม่ทันในให้มันเนา่ามันเผลอไฟธาตุมันย่อ ย, อยส่วนที่เป็นน้ำอันละเอียดนะไห้ไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ส่วนใดที่เป็นกาดมันก็ หายเทออกไปที่เราเรียกกันว่าอุจจาระก็เมื่อร่างกายนี่มันเป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้เราจะไปหาความสะอาดมาแต่ที่ไหนล่ะร่างกายอันนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนใน้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ ก็เพื่อที่จะป้องกันจิตของโยคาวจรทั้งหลายไม่ให้กำหนัดยินดีไม่ให้เพลินไปในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้นะไม่ว่ารูปใดขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นรูปสัตว์รูปคนได้อย่างนี้ล้วนแต่มันมีอาหารของสุกปกนี่ เป็นเครื่องรอเรียงไว้ทั้งนั้นเลยอันนั้นเมื่อเพ่งดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่เห็นประจักษ์ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วรูปอื่นมันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไม่แปลกกันเลยมันก็หายพเพลินแบบ น, นี้น ะ, ะเมื่อมันเห็นเหมือนเหมือนกันล่ะเมื่อมันเบื่อหน่ายรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ มันก็เบื่อหน่ายรูปกายภายนอกนุนเหมือนกันเพราะมันมีสภาพอย่างเดียวกันเนี่ยสำหรับผู้ที่ชอบเพลินไปในรูปร่างกายอันนี้ <c oughs> ก็ต้องเพ่งพิจารณาอย่างนี้ถึงไม่ร่างกายนี้จะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เป็นของไม่สะอาด เทียงแต่ว่ามีหนังหุ้มอยู่พอปกปิดสิ่งโสโครกโสขปกท่านั้นเองเนถ้าหลอกหนังนี้ออกแล้วสิ่งโสโครกต่างๆมันจะปรากฏให้เห็นทุกแห่งทุกหนในร่างกายอันเนี้ยไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวเลยนี่เราต้องคิจารณาให้เข้าถึงความจริงอย่างนี้ อย่าไปหลงติดอยู่เพียงแค่ผิวหนังอันขาวขาวนี่เท่านั้นนะขาวขาวแดงแดงถ้าใครหลงไม่พิจารณาให้ถึงภายในแล้วมันก็ติดอยู่แค่สมมติเท่านั้นเองนะติดว่ารูปนี้สวยรูปนี้ขาวสะอาดดี มีน้ำมีนวนดีอะไรอย่างนี้พอเห็นเข้าก็วิตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิดความพอใจในอย่างนี้เนะี่ยมันนับว่าไม่สมควรเลยที่เราจะมาหลงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาอยู่มันก็ต้องเห็น ร่างกายนี้ตามเป็นจริงได้เพราะว่าจิตก็อาศัยร่างกายอันนี้อยู่เมื่อสำมรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ภายในได้แล้วถนานจึงจะไม่รู้เรื่องของร่างกายนี้ล่ะต้องรู้ะ่ะแต่บางคนรู้อยู่แต่หากไม่ยอมสงบเพ่งดูเมื่อรู้อยู่แล้ว ไม่ควบคุมจิตให้เพ่งดูอยู่ภายในมันก็จะไม่สังเวชสลดใจไม่เวือไม่ไายรู้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็ยังส่งใจออกไปข้างนอกนู่นไม่ยอมเพ่งพิจรารณามีแต่รู้เฉยไม่เห็นคุยง่าย ร, รู้เฉยแล้วไม่เห็นมันก็ไม่ปรงใจไม่ลงไง เหมือนอย่างเรารู้ข่าวที่เขากะพือกันมาต่างนานาหมนี้นะสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อง่ายนั่นไม่ค่อยเชื่อหรอกข่าวลือต่างๆเขาต่อเมื่อตอนได้เห็นด้วยตาเข้าไปแล้วชัดๆแล้วนั่นหละเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนเลยว่าเรื่องนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแต่บางคนก็ พอจะรู้ข่าวเท่านี้ก็เชื่อเอาเลยว่าเป็นจริงอย่างนั้นร้อยเปอร์เซนต์เลยอย่างนี้ก็มีนั่นท่านเรียกว่าเป็นผู้เชื่อ ง, ง่ายมงมงายอันนี้ก็เหมือนกันแหละการที่พระา ศ, าศาสดาทรงสอนให้เพ่งพิจรารณาร่างกายก็เพื่อที่จะให้เห็นนั่นแหละ แต่อันรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันสกปรกไม่สวยไม่งามนี่รู้อยู่ทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เห็นด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างนั้นดังนั้นพระองค์เจ้ายังสอนให้สำรวมจิตให้แน่วแน่เข้าไปแล้ววันนี้ก็เพ่งดูว่าจิตที่สงบลงไปนิวรห้าดับ ย่อมผ่องใสเบิกบานเมื่อมันผ่องใสแล้วนะมันก็ย่อมมองเห็นได้นี่พอนึกว่าจะดูอัตภาพร่างกายนี่อย่างนี้นะมันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงอนะร่างกายนี้เป็นอย่างไรมันก็เห็นอย่างนั้นพอนึกถามตัวเองว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอมันก็ต้องตอบตัวเองเลยบอกว่าไม่เที่ยง ภาพแหงความไม่เที่ยงนะั้นมันก็ปรากฏในใจความเปื่อยเน่าผุพังแตกสลายลงมันก็ปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างนี้แหละที่เมื่อใจสงบลงไปแล้วนะปัญญามันเกิดขึ้นใครที่ว่าไม่ฉลาดพิจรารณาไม่ทราบ ว, ว่าวิปัสสนาเป็นอย่างไร ก็ให้เพิ่งเข้าใจเสียวิปัสนาไปว่าความเห็นแจ้งด้วยใจเห็นอะไรก็เห็นแจ้งจริงๆไม่ได้สงสัยลังเลนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนานะเห็นร่างกายอย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ดังอธิบายมานี่แหละเห็นถึงความจริงเพราะความจริงของร่างกายนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ มันมีความสกรปรกไม่สวยไม่งามด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยแปรปวนไปมาหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงไฟเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกนี่ความจริงของร่างกายเราก็เห็นกันอยู่ชัดๆเห็นด้วยตาหนังก็เห็นคนอื่นเขาตายเอาไฟเผาแล้วเอากระดูกใส่ขวดโหลมาเก็บไว้ที่วัด นั่นน่ะมีอยู่ถมไปทำไมไม่พิจารณากันละ่ะนั่นน่ะแม่ตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยผลสุดท้ายมันก็เหลือแต่กระดูกก็ยังดีน ะ, ะคนบุกบางคนก็เกิดมาแล้วทำคุณงามความดีสำหรับผู้ครองเรือนกบครองจริง ทำบ้านเรือนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนำครอบครัวไปโดยสวัสดีไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเกินประมาณขยันหมั่นเพียรในการทำการทำงานรวบรวมมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองแสวงหาอสังหาริมทรัพย์ ทรัพที่ไม่เคลื่อนที่ได้เช่นที่นาที่บ้านปลูกบ้านสร้างเรือนให้ถาวรไว้เพื่อรูปหลานได้อยู่ได้อาศัยในภายหลังเมื่อตนละโลกนีไปผู้เช่นนั้นเน่ะเมื่อตายลงเขาเผาแล้วเขาก็เก็บเอากระดูกใส่ขวดโหลมาไว้ในวัดวาอารามอ่า แล้วก็พา ก, กันมาไหว้มากราบมาสักการะบูชาทำบุญกุศลอุทิศส่วนผลบุญกุศลไปให้เพราะลูกหลานเขานึกว่าพ่อแม่เรานี่ดีมากมีคุณต่อเราได้ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วยังเลี้ยงดูปูเสือจนเจริญไว้ใหญ่โต แล้วก็สร้างมรดกหลักฐานต่างๆไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดได้อาศัยในภายหลังนี่ดังนั้นแหละลูกหลานเขาจึงได้เคารพกราบไหวบูชาในบางคนที่นีเกิดมาแล้วไปคบหาสมาคมแต่คนผ่านไม่คบหานักปราดบัณฑิตคนผ่านก็ชักชวนให้ ดำเนินชีวิตไปในทางอาบายามุกบําเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพนันนี่บุคคลไปคบค น, คนชั่วเป็นมิตรนะคนชั่วนั้นหมายถึงคนเป็นนักเลงสามจําพวกนี้แหละเมื่อบุคคลใดได้คบคนชั่วเป็นมิตรเยีางว่ามันก็ทําตนไม่ดีประพฤติตนไม่ ถูกต้องตามํานองครองธรรมเพราะการบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเหล่านั้นนะเงินทองมีเท่าไรก็ไม่เหลือจิบหายหมดก็ต้องพาครอบครัวนั้นอยู่ด้วยความยากลำบากด้วยความอดความอยากหิวโหวยลูกหลานทั้งหลายเขาก็เกลียดแต่เวลา ย, ยังมีชีวิตยอยู่ก็ดีเมื่อหมดอายุสังขารไปสู่โลกหน้าแล้ว ร่างกายนี่เขาเผาแล้วเขาก็ฝังกระดูกไว้กับพื้นดินนั่นแหละเขาไม่ยกย้องแล้วกระกระดูกนั้นแหะถ้ถจมอยู่พื้นดินนั่นแหละเขาไม่ได้เทิดทูนไว้พื้นที่สักการะบูชาอะไรเลยอย่างนี้มีอยู่ถมไปนั่นแหละคนเราอ่ะผู้ที่ไม่มีภาวนา ไม่ได้มาเพ่งพินิษ ด, ดูอัตภาพร่างกายเนี่ยมันเลยไม่มีสติปัญญาที่จะนําตนของตนให้ถึงซึ่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมไม่สามารถจะถือเอาประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าได้เลยประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เจริญเทียมบ่าเทียมไหลคนอื่นเขา ได้ประโยชน์ในภายหน้าก็ไม่มีทางที่จะติดตัวไปเพราะว่ามัวแต่ทุกแต่จนไม่ได้ทำบุญทําทานไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ได้ฝึกขนอบรมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อสินธรรมเลยถ้าจะมีกะเพียงเล็กน้อยๆ้อยมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ นี่แหละคนเราเนะเกิดมาในโลกนี้ขอให้พากันคิดดูให้ดีอ่าบุคคลใดได้ขอผาสมาคงกับนักปราบบัณฑิตละ่ะก็นับว่าเป็นผู้มีวาสนาเพราะนักปราบท่านจะชักชวนให้ฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นไปโดยลำดับเสนนักปราบทางหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น องค์จะชักชวนให้บำเพ็ญทานการกุศลเมื่อมีเข้าของเงินทองมาแล้วก็ยัตตนีโอตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้มีมากว่าเข้าไปมีแต่โจรขโมยเนะี่ยมันจะมาคอยลักคอยแย่งชิงกี้ปล้นเอาบางทีมันก็ฆ่ า, าเจ้าของทรัพย์ตายแล้วผลเอาของไปเมื่อนี้นักปราชญ์ท่านจึงแนะ น, นำให้ แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างนั่นแหละถ้าให้ทำอย่างนั้นแล้วสักหน่อยก็จะเป็นภัยต่อตัวเองดังนั้นปราชญ์ท่านก็ชักชักชวในให้รักษาศีลให้เว้นจากกรรมอันชั่วคือแนะนำไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงจากการจากการเบียดเบียนแนะนำให้เจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืน จนเกิดความเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนักปราชญาท่านจะแนะนำไปในทางนี้แหละนอกจากนั้นแล้วก็แนะนำให้เจริญสมรมะและวิปัสสนาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขาร น, นี่ ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงเพราะว่าความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่จิตของคนเราเนี่ยมันไม่ชอบพิจารณาความจริงมันถูกกิเลสหลอกลวงให้เข้าใจผิด คิดว่ารูปกายนี่สวยงามคิดว่ารูปกายนี่เที่ยงยั่งยืนคิดว่ารูปร่างกายนี่เป็นของตนจริงๆนี่มันเป็นอำนาจของโมหะความหลงความไม่รู้จริงเหล่านี้มันให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดไปในอัตภาพร่างกายนี้ดังนั้นแหละทุกคนอย่าไปหลงกลมายาของกิเลส กิเลสมันชักจูงให้คนเราเห็นให้เคลื่อนค้าดไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วร่างกายอันนี้ไม่มีชิ้นส่วนอะไรไม่มีส่วนไหนมีผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นเหล่านี้เที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยแล้วก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสวยงามอยั่งยืนตลอดไป แม้ว่ามันจะสวยจะ ง, งามก็สวยไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละสักหน่อยแล้วมันก็หายจากความสวยงามเละมันแปลปูนปันสุดโทรมไปไม่มีอวัยวะร่างกายส่วนไหนที่จะเที่ยงยั่งยืนที่จะไม่แปลปูนเป็นทุกข์ุ้นวายไปไม่มีรูปร่างกายอะไรที่จะบอกได้บังคับได้เมื่อให้มัน แปรปวนแตกดับไปอย่างนี้นะไม่มีเลยในโลกอันนี้นะแม้แต่เทวดาอินพรหม ท, ที่บุญกุศลตกแต่งรูปร่างกายนี้ให้อย่างสวยสดงดงามและละเอียดปรดาณีตกลัวรูปกายของมนุษย์ถึง น, นั้นอยู่ไปอยู่ไปบุญหมดแล้วก็ตายร่างกายนี้ก็เหี่ยวแห้งไปไม่ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ได้เลย บัณฑสภารูปทั้งหลายนี่ยจะเป็นรูปหยาบ ก, ก็ดีรูปปานกลางก็ดีรูปละเอียดไปนีดใดๆก็ตามเลยมันเป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยถ้าเมื่อหมดเหตุปัจจัยนั้นลงเมื่อใดแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอย่างนี้ ทั้งบดนี่นะเรื่องของวิปัสนาทั้งนั้นแหละให้พึ่งเข้าใจแต่ว่าต้องเห็นแจ้งก่อนนะจึงจะเป็นวิปัสนาได้ถ้ายังไม่เห็นแจ้งประจักษ์จริงๆยังไม่เบื่อไม่ไายยังไม่คลายความยึดความถือลงไปก็ยังเป็นวิปัสนาไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจ ดังนั้นต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเบื่อหน่ายดอกหรือมันสังเวชสลดใจนี่นี่เป็นเครื่องหมายบอกให้ว่าตนพิจารณาร่างกายนี่มันเห็นแจ้งได้จริงมันถึงได้เบื่อหน่ายถึงได้สังเวชสลดใจว่าดวงกิจนี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆ เหตุนั้นมันถึงทนได้ยากลําบากมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นแจ้งเมื่อเบื่อมันนายมันสังเวชสะลดใจอย่างนี้แล้วทํายังไงบะนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเบื่อหน่ายอยู่นั้นตลอดเวลาหรือจะไปสังเวชสะลดใจอยู่นั้นตลอดเวลาอันนั้นก็ ยังไม่ใช่วิปัสสนากรต้องเพ่งความเบื่อหน่ายความสังเวชเหล่านั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันก็เป็นของเกิดของดับไม่ยั่งยืนเมื่อความสังเวชสะลดใจความเบื่อหน่ายเหล่านั้นระงับดับลงวันนี้จิตก็เป็นอุเบกขาแล้วเป็นกลางแล้วต่อสังขาร น, นามรูปต่างๆ ทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดวันนี้สุกขุมอย่างไรก็ตามก็รวนแต่มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรนไปในท่ามกลางแตกดับไปในที่สุดก็มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แนะมันถึงปรุงถึงวางลงได้ แล้วจิตก็รวมลงนะเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งอยู่มันก็เห็นแจ้งในนามรูปตาไม่จริงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาก็เห็นแจ้งเลยแบบนี้นะนั่นแหละเรื่องของวิปนะัสสนาให้พึงเข้าใจทำอย่างนี้แหละเลืออ่อยไปไม่ใช่ว่ามันเห็นแจ้งนะแล้วมันจะละอุปทานได้ขาดเด็ดทีเดียวไม่ใช่ มันก็ค่อยละไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อเราพิจารณาไปบำเพ็ญสมถะให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญวิปัสนาไปอย่างที่กล่าวมานี่จนวาจิตรวมรงได้อย่างทุกครั้งทุกครั้งไปเลยอย่างนี้นะอินทรีย์มันจะแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเต็มที่แล้ว มันก็จะมรด์อันมีองค์แปดนั้นก็ดีหรือว่าศีนสมาธิปัญญา ก, ก็ดีมันก็จะรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามรคตมังทีนั่นแหละเมื่อมันรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็เกิดความรู้หรือว่าญาณเ น, น่ยทั้งรู้ทั้งเห็นเลยแบบนี้นะอน้ อย่างนี้เนี่ยที่มันจะละสังโยชน์อันเป็นเครื่องผูกจิตใจให้เกากให้คล้องให้ติดอยู่ในโลกนี้ขาดออกไปได้ก็ด้วยอำนาจแห่งมรรคสมมังคีนี่เองอ่าเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วจึงพากันตั้งอกตั้งใจามความเพียรเพ่งพินิษพิจารณา ไโดยไม่ท้อไม่ถอยเราเพ่งพิจารณาอะไรก็ให้จิตมันรวมลงให้ได้นี่เป็นหลักสำคัญนะถ้าพิจารณาอะไรจิตรวมลงไม่ได้แล้วก็ยังไม่ถูกยังใช้ไม่ได้ต้องให้มันรวมลงจริงๆอะ่ะมันรวมลงได้นั่นแสดงว่ามันปล่อยมันวางเป็นอย่างนั้น เ <c oughs> มื่อรวมลงได้เกิดญาณความรู้ขึ้นก็พยายามรักษาญาณความรู้อันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะว่ามันเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้าไม่รักษาเนี่ยญาณความรู้ดังกล่าวมาเนี่ยเมื่อมันยังไม่ทันบนรรลุถึงโลกุตระธรธรมแล้วมันเสื่อมได้อดังนั้นเนี่ยเพิ่งรักษาไว้ให้ ดีเลื่อยไปแล้วมันก็จะได้รวมกำลังกันแก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปดังแสดงมา